สัม sa. ุตัสสัตยสัติสัมปัญญะพิกาวสัติสัมปัญญัตย์สติตีอะนั่งตามสบายณลำดับต่อแต่นี้ก็จะได้เข้าสู่ กำหนดการช่วงเช้าเป็นการควังทำและปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติไปก่อไอ้ควังทำไปก่อนในขณะที่ควังก็ปฏิบัติไปด้วยก็เรียกว่าควังทำและปฏิบัติธรรมช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเทศการมาคบูชาเมื่อวันที่หนึ่ง มีนาคมที่ผ่านมาตรงกับวัน15คําค่ำนส5บาคำเดือน4ปีนี้ตรงกับเดือน4เพราะว่าเป็นปีอธิกรมาศคือเดือน8ปสองหนถ้าปีไหนไม่มี 8-2 สองหนก็ตรงกับเดือน3คํคำว่ามาคันเป็นชื่อเดือนของแฟนมากด ที่ใช้กันในสมัยนั้นเราไม่เคยรู้ว่าเพราะอะไรวันมาฆบูชามันจึงสำคัญเรารู้แต่ว่าพระพุทธเจ้าจัดโอวาทปฏิบูถ้าถามว่าวันมาฆบูชาที่เขาจัดมีการบูชาเนื่องในวันมาฆนั้นเพราะมีอะไรเป็นสำคัญส่วนใหญ่ก็จะว่า เพราะพระอาหารหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายต่างก็เป็นพระขีณาจัที่พระพุทธเจ้าทรงอุบวดเองเลยพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโอวาทปฏิโบกแต่ว่าถ้าสาระสำคัญกว่านั้นเราก็รู้ว่าถามว่าแล้วโอวาทปฏิโบก ค, คืออะไรตอบได้ไหมก็ตอบได้อีกอะตั้งแต่เด็กๆจำได้ก็ท่องกันมาหนึ่ง กดเป็นความชั่วตั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมทำใจให้บริสุทธิ์สามข้อนี้ก็จำมาได้ตั้งแต่น้นนะใช่ไหมแ้ว ม, มันสำคัญขนาดไหนเี่ะเขาถึงจัดให้มีการบูชาถ้าถามตมาก็จะบอกว่าถ้าไม่มีโอวาทปฏิบูธในวันนั้น พุทธศาสนาในวันนี้ก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้เพราะโอวาทปฏิโมกในวันนั้นเพราะมาฆบูชาเพราะวันมาฆสีมาคั่มแห่งวันมาฆวันนั้นเป็นวันที่เกิดความแข็งแรงของพระพุทธศาสนาเรียกว่าในระบบของพุทธศาสนาถูกวาง ไว้ยอย่างครบวงจรเมื่อประกาศโอวาทปฏิบกแล้วพระพุทธเจ้าจะอยู่หรือจะไปหรือจะสามารถบริณีพานหน้าตอนนั้นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วถือว่าเกิดความแข็งแรงแล้วอย่างรากขวางลึกแล้วแล้วหลังจากที่ประกาศวันนั้นเสร็จพระพุทธเจ้าให้สวดโอวาทปฏิบกนี้ทุกึ่งเดือน เพิ่งมายกเลิกเมื่อตอนที่รับสั่งให้สวดพระปฏิบุกโอวาตปฏิบุกในวันนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอรหันต์ทั้งนั้นไม่ต้องมาจี้ไม่ต้องมาคอยดูอุปนิสัยว่าคนนี้มีอุปสัยแก่มักผลไหมคนนี้มีอุปนิสัยแก่อะไรมั่งไม่ต้องประกาศตู้มตุมตุมต้มไปเลยในสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศชื่อว่าอุบาติบุโอวัตปฏิโุกนั้น มันเป็นการประกาศจุดยืนของพระพุทธศาสนาประกาศหลักการและวิธีการดําเนินชีวิตเนี่ยครบระบบของการเป็นศาสนาของโลกใบนี้ในฐานะของคําว่าพุทธศาสนาก็จะไม่กวัดแกวงไปเป็นอย่างอื่นได้ถ้ามิฉนั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่ประกาศในวันนั้น ขนาดประกาศแล้วเดี๋ยวนี้จุดยืนของพุทธเราแต่ละคนเขาต่างกันคนที่เข้ามาปฏิบัติในพุทธศาสนาหรือได้ชื่อว่าพุทธศาสานิกชนจะต้องมีจุดยืนอันเดียวกันนึ่พระพเจ้าประกาศไว้เพราะทรงทราบว่าเบื้องหน้ามนุษย์ผู้แสวงหาประโยชน์มีตัณหามีความบกพร่องต่อความอย า, อยากอยู่ตลอดเวลานั้นมักจะใจเร็วด่วนได้ ก็จะมีเป้าหมายมีที่พึ่งที่สูงสุดในชีวิตแตกต่างกันกริเลยประกาศจุดยืนเสีย อ, อกทรงตัดว่าขั้นตีปรมังตะโปตีติฆ่านิพานังปรมังว่าดันติบุต ธ, ธาในประโยคนี้ประกาศจุดยืนว่าอย่างไรเป้าหมายอันสูงสุดว่าเราจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือพระนิพพาน ถ้าไม่ประกาศอย่างนี้คนไทยบาตก็ดีคนรักษาศีลก็ดีคนกวาดลานวัดก็ดีคนบวชก็ดีไม่บวชก็ดีหญิงก็ดีชายก็ดีที่ชื่อว่าพุทธศาสนิเกชนแล้วทรงสอนว่าให้มีจุดยืนเดียวกันคือพระนิพพานส่วนเราจะไปถึงไม่ถึงเราได้แค่ไหนก็ช่างแต่จุดยืนต้องมีเหมือนกันจุดยืนที่สูงสุดของเราคือพระนิพพาน พะเรามีจุดยืนที่สูงสุดเหมือนกันเส้นทางที่เราเดินแม้ว่าเราจะมีปฏิปทาที่ไม่เหมือนกันแต่มันจะลงในเป้าหมายเดียวกันเหมือนอย่างเรามีเป้าหมายว่าเชียงใหม่คุณโยมนี่อาจจะไปรถไฟก็ได้ดนุนก็อาจจะไปรถยนต์ก็ได้ คนนน้์ก็อาจจะเดินไปก็ได้ทางไปที่ไม่เหมือนกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันไอคนที่ไปรถไถอาจจะไปถึงช้ากว่าคนที่นั่งเครื่องบินแต่คนที่นั่งเครื่องบินเมื่อเขาไปถึงแล้วถึงเชียงใหม่แล้วไอคนที่ไปรถไถอาจจะไม่ยังถึงไม่ถึงเชียงใหม่แต่ระยะทางมันก็ใกล้ขึ้น เกิดไปเดินไม่ไหวขันแตกระลายเส้แถวสระบุรีก็ได้ชื่อว่าถึงสระบุรีเส้นทางในการไปเชียงใหม่ของคนนั้นก็จะใกล้ขึ้นเพราะการมีเป้าหมายเดียวกันคือมีพระนิพพาเนเป็นเป้าหมายที่นัดว่านิบบานังประมังวะดันติบุท ธ, ธานี่ให้มีผริพานเป็นทำอย่างยิ่งไว้ไม่ตรัสเฉยเว่าตรัสว่าการที่จะให้ถึงเป้าหมายนั้น ด่านหน้าของกลไกนี้คืออะไรขันตีปรมังตะโปตีติขานั่นต้องมีความอดทนอดกลั้นที่สุดเลยไม่จัดว่าความเพียรเห็นไหมล่ะเพราะความเพียรมันเป็นอะไรความเพียรมันเป็นอะไรความเพียรมันเป็นผลอะไรคือเหตุของความเพียร ขันตีนั่นแหละความพยายามการกระทำที่ตั้งอยู่บนความอดทนเรียกว่าความเพียรไม่เมื่อใดที่ความอดทนขาดความเพียรก็จะสบั้นันทีท่านจึงตรัสว่าการเดินทางให้ถึงเป้าหมายจะต้องมีเครื่องมือที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้เป็นตัวรถไถเลย คือขันติเราเดินทางรถไฟเราก็มีตัวใช่ไหมไม่มีตัวไปไม่ได้นี่แหละขันตินี่แหล ะ, หละเป็นตัวเลยสําคัญไหมล่ะเป็นตัวรถไฟเลยอะขันติปรมังตาโปตีติขาแปลว่าความอดทนอดกลั้นเนี่ยเป็นความทนทานคือตะบะขันติเป็นเหตุอีกตะบะก็เป็นผลของขันติ ดูสิพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหจังมีพระคุณจริงๆเราจะต้องใช้ความอดทนต่อการเลื่อนไหวของตนเพื่อเข้าไปสู่เป้าหมายทุกๆเรื่องและการอดทนนั้นที่เราอดทนผ่านกระทาในความอดทนนั้นแล้วจะสะสมตกผลึกมาที่จิตของเราเป็นอะไรเป็นตบะบ่มเพาะมาเป็นตบะตบะตัวนี้จะทำอะไรแผดเผาอุปสรรค ถ้ามีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตเรา 20% เราใช้ความอดทนควนขวาอุปสรรคนี้ได้คำว่า 20% นั้นสะสมไว้สสแล้วยังสะสมไว้แล้วเรียกว่าตบาตะบะตาบะที่เกิดขึ้นมันจะคอยแผดเผาอุปสรรค 20% นั่นแหละต่อไปในวันข้างหน้าเราฟันฝ่าไปอีกไปเจออุปสรรคอีก 40% เราก็จะใช้ความอดทนแค่เพ 20% เพราะอีก 20% ถูกตะบะมันแผดเผาเองเข้าใจไหมออพอเราพันผ่า 40% นได้ต่อไปเราไปเจอปัญหาอีก 60% เราก็จะใช้ความอดทนแค่ 20% อีก 40% ก็ตะบะนั่นแหละมันแผดเผาถ้าเราใช้ความผ่าต่อไปอีกเราไปเจออุปสรรคอีก 80% เราก็จะใช้ความอดทนแค่ 20% อีก 60% ตาบะมันแผดเผา่าเราไปเจออุปสรรคอีกร้อยเราก็จะพันฝ่าแค่ 20% อีก8ปดตตาบะมันแผดดผาเราจึงมักจะได้ยินคนพูดกันบ่อยๆเขาทนได้อย่างไรนะส่วนไอ้คนที่ทนได้เป็นไงเขาสบายสบาย มีความสุขอยู่ได้ไม่เป็นไรส่วนเราเป็นคนดูเขาเนี่ยก็ทนได้อย่างไรเขาอยู่ได้เพราะเขามีอะไรตบะจำไว้หันพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเราจะต้องขับเคลื่อนชีวิตนี้ให้มีขันติควบคู่ไปเลยความอดทนนี้ต้องควบคู่ไปเลย อุปสรรคไม่ว่าอะไรก็ตามจะต้องมีขันติเกิดขึ้นก่อนสู้กับเขาและการกระทําที่ลงบนขันติเป็นฐานการกระทํานั้นเรียกว่าพยายามการกระทําใดที่ไม่มีขันติรองรับการกระทํานั้นไม่ใช่ความเพี่ยนสําคัญขนาดนั้น อ, อนี่แค่บรรทัดแรกนะ ในวัดปฏิบูจุดยืนเลยมีเป้าหมายคือพระนิพพานด้วยกันและมีขันติเป็นเครื่องมือหลักในการเดินเข้าไปสู่เป้าหมายนั้นจากนั้นสอนอีกประโยคที่สองบรรทัดที่สองสอนว่านะิปปะชิโตปรูปคาตีสมโดโหติปรังวิเหทยันโตวันนั้นสัดกับใครสัดกับพระทั้งนั้น แล้วก็พระภิกษุสงฆ์คือเครื่องหมายงงเป็นเครื่องหมายของพระาศาสนาที่สำคัญที่สุดในบรรดาบริษัททั้งสี่ถ้าตราบใดที่พระสงฆ์ยังอยู่บริษัททั้งสี่ก็ยังเข้มแข็งเมื่อใดที่ไม่มีพระสงฆ์แล้ว วันนั้นบริษัททั้งสี่จะอ่อนแอพระพุทธศาสนาก็จะ ก, กระสานสั้นสิน้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าภาพของพระพิสุสงฆ์ภาพของนักบวชในพุทธศาสนานี้นหะิปปะชิโตปรุปกาตีสมโดโหติปรังวิเหทยานโต จะต้องงดเว้นจากการเบียดเบียนเป็นภาพที่สำคัญที่สุดต้องงดเว้นจากการเบียดเบียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในภาพลักษณ์ของพระภิกษุนั่นหมายความว่าต้องมีความเบตตาเป็นกำลัง ใครก็ตามที่เข้าใกล้พระและจะอบอุ่นรู้สึกเป็นที่พึ่งได้เห็นพระและรู้สึกว่ามันมันมันมันเป็นที่พึ่งได้เพราะฉะนั้นภาพของพระจะต้องโหดเว้นจากการเบียดเบียเนเป็นหลักยึงจัดไว้เลยนะหิบาบชิโตนะิบาบชิโตปารูปรคาตีสมมโดโหโติปารังวิเหชยตุ ผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบรรปะชิตหรือสมณะภาพมันต้องชัดเจนอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์หรือผู้มีชีวิตตนไหนเข้าใกล้พระจะรู้สึกว่าปลอดภัยต้องให้ได้ภาพอย่างนั้นอืไม่ใช่พเกเข้าใกล้พระแล้ววิ่งหนีบาบางครั้ง เห็นเห็นวัวโคคตัวสีเหลืองๆเดินกินง่ายมันน่าบ้านนึกว่าพระมาหลบคําว่าเบียดเบียนนี้ต้องฮดเว้นการเบียดเบียนทุกประเภทตั้งบุญไม่ใช่ว่าเบียดเบียนชีวิตหดทั้งเบียดเบียนชีวิตฮดทั้งเบียดเบียนทรัพย์ฮดทั้งเบียดเบียนความสุขฮดทั้งเบียดเบียนความสามัคคีในขณะเดียวกันต้องเบิดตาพระจะต้องแคร์ต่อความสามัคคีและความสุขของ คนหมู่มากไห ม, มเพราะฉะนั้นภาพนี้จึงสำคัญไหมและถ้าความเป็นพิสูจน์อ่อนแอภาพลักษณ์ของสถาบันสูงอ่อนแอพุทธบริษัทจะอ่อนแอหมดเลยท่านทุกคนก็จะตะเกียกตะกายช่วยเหลือตัวเองรูปแบบของการสอนรูปแบบภาพลักษณ์ของ การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาอันมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา mm hmm. ก็จะแปลกแวกแนวออกไปเรื่อยๆคนจึงไปเชื่อตามคนนั้นตามคนนี้เอ้านี่ได้คนจึงไปเชื่อตาม การสอนต่างๆอ้าวตัวนี้พอพระพังไปแล้วพอพระพังไปแล้วต่อไปก็คืออะไรขึ้นคนก็ไปควังคนด้วยกันเดี๋ยว น, นี้เริ่มเนี่ยอาการมำน่าอาจจะเกิดมาเพราะสาเหตุนั้นก็ได้เหมือนกันนะแม่พระอยู่ในวัดแล้วเอาพระออกมาจากวัดเนี่ยหรือสํานักปฏิบัติบางสํานักที่คารวะเป็นผู้สอนตั้งตนเป็นอาจารย์ใหญ่ พอตั้งตนเป็นอาจารย์ใหญ่เสร็จแล้วคนก็เข้าหากันเลยทำกิจกรรมบางอย่างเหมือนกับวัดเลยทอดป้าป า, ปามั่งกะตินมั่งทรับเจ้าสำนักก็นั่งตั้งตนเป็นรั บ, ร, บรับสังฆทานเองอะไรเงี้ยภาพแบบนี้มันเกิดจากการไม่เป็นไปตามพระโอวาทข้อที่สองที่ชื่อนะหิบัปชิโตปรูปกาตีสมโมโหตีปรังวิเหทยานโต ก็ไม่ต้องพูดมากะพูดมากให้รู้สึกเจ็บเจ็บเอ๊ะเพราะว่าสองบรรทัดนี้เรียกว่าจุดยืนนะจุดยืนของพระศาสนาหลังจากนั้นก็ต้องแสดงหลักการหลักการก็คือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายด้วยกันสามข้อไม่ต้องพูดย้ำหลังจากนั้นก็ลงจัดถึงเรื่องวิธีการ ดำเดินชีวิตเราอยู่กับปัจจัยสี่นั้นทั้งให้เห็นว่าในสันที่สามที่เป็นวิธีการนี่ต้องจัดว่าอนุปวาโดอนุปคาโตปาตีโบเกจะสั่งวโรมัตตัุตาจะพัตสมิ่งปันตัญจะสยานานังอธิจิเตจังอาโยโคอนุปวาโดคืออะไร อนุบวาโดอนุบกาโตคือการไม่กล่าวร้ายการมั่นไม่ล้างผานหดการจองล้างจองผานกันละกันนี่เพื่ออะไรเนี่ยคือเราจะทำอะไรก็ตามให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเราจะต้องสงบสห บ, สสหบแล้วก็สะอาด่อน การหดเว้นจากการว่าร้ายจากการจองล้างจองผลาญนั่นคือการหดเว้นจากการเบียดเบียนในส่วนที่สำคัญสาคัญหดเว้นจากการบวชบวดเบียดเบียนจากการคำพูดหดเว้นจากการเบียดเบียนทางการกระทำเดียกว่าหดจากการว่าร้ายจองล้างจองผลาญกันก่อนเหมือนคนสองคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าโลกโลกนี้มีคนแค่สองคน เราทำยังไงให้เราสองคนอยู่กันอย่างมีความสุขเราจะต้องงดจากการเบียดเบียนกันก่อนใช่ไหมและการเบียดเบียนที่เราจะกระทาต่อกันเนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องที่เป็นหลักๆที่จะแสดงออกได้ทันทีคือการว่าร้ายและการล้างผลาญกันรอหยุดการว่าร้ายหยุดการล้างผลาญกันเมื่อนั้นความสงบผ่องเราก็เกิดความสามัคคีก็เกิด เพืนโลกของสันติต้องสนับสนุนให้มนุษยชาติหดการว่าร้ายหดการล้างผลาญกันก่อนทีนี้ไอ้การว่าร้าการล้างผลาญเนี่ยกฎระเบียบในประเทศเราไม่ว่ารัฐธมนูญหรือกฎต่างๆออกมานี่เป็นหมื่นๆข้อนี่ยตอนนี้เพื่อที่จะรับประกันข้อ น, นี้มันยังเอาไม่อยู่เลยแต่พระพุทธเจ้าสอนด้วยพระโอาวาทส่วนที่สมเนี่ย ว่าการดําเนินชีวิตกลไกการมีชีวิตที่จะขับเคลื่อนเข้าไปสู่เป้าหมายเนี่ยต้องงดการว่าร้ายและงดการล้างผลาญกันหยุดซะก่อนมันหยาบมากการว่าร้ายและการล้างผลาญกันเนี่ยมันหยาบมากถ้างดตัวนี้ได้มันจะเบาไปเยอะมันจะเบาไปเยอะหลังจากนั้นเรื่องอะไรที่จะมีต่อสังคมมันต้องมีกฎระเบียบใช่ไหม มันจะต้องอยู่ในกรอบเดียวกันทรงจัดว่าปาติโบเคจะสร้างวโรทรงเป็นผู้นำที่เป็นแบบหาบุคคลมาเปรียบเทียบไม่ได้ปาติโบเคจะสังวโรเนี่ยจัดกับพระว่าไงสำรวมระวังอยู่ในพระปาติโบกัสสังโรศีน แต่ในความเป็นจริงของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมนั้นสัตว์ว่าปาติโบเคจะสร้งางวัานอกจากว่าไม่เบียดเบียนไม่ว่าร้ายไม่จองร่างจงผลันกันแล้วต้องปาติโบเคจะสังวัลคือจะต้องชัดเจนอยู่ในกรอบแห่งสังคมของตนให้ได้อย่างเรามาอาการทําอาการทําก็มีกฎมีระเบียบอย่างไรอย่างไรอย่างไรเราต้องอยู่ในระเบียบอันนั้นและชัดเจนไว้ก่อน ไม่ใช่พอมาถึงเจอระเบียบนิดนหน่อยแล้วก็จะเสดออย่างนั้นเสดออย่างนี้ถ้าตราบใดที่เราไม่ชัดเจนอยู่ในกฎระเบียบสังคมที่เราอยู่แล้วเราจะไปเสดอนั่นเสด็จนี่แหกค อ, อกออกนอกคิดนอกกรอบนั้นไม่มีใครยอมรับเราแล้วเราจะอยู่ที่ไหนไม่ได้ไม่รู้แหละคุณจะมีความคิดดีมีความรู้มีความพัฒนาเชิงพัฒนาคุณดีแค่ไหนก็ช่าง แต่คุณต้องชัดเจนอยู่ในกรอบที่คุณอยู่ให้ได้นี่ความหมายของมันเมื่อเราชัดเจนอยู่ในกรอบที่เรามีอยู่ไอการคิดออกนอกกรอบมันจะมีคนยอมรับเราทันทีถูกไหมเพราะสิ่งนี้พระพเจารเลยบอกปาตีโบเก้จะสร้างบอโรนี่ช่างยอดเยี่ยมมากนี่คือเนื้อหาสาระของมอาฆบูชาอะออาต่อไปคืออะไรต่อไป เรื่องการกินการใช้การอยู่การหลับการนอนที่อาหารที่อยู่อาศัยเนี่ยจัดว่ามัดตันยุตตาจจพัตสัมมิงปันตันจะศยันาสนังมัดตันยุตตาจจพัตสัมมิงหมายความว่าให้รู้จักประมาณในการใช้การสอยการกินการบริโภคการบริโภคให้รู้จักประมาณ รู้จักว่ามันพอดีตรงไหนแล้วให้เข้าไปใช้สายไอ้ที่มันพอดีนั่นแหละถ้าเรามัดตันญยตาถ้าเรารู้จักพอดีในสิ่งที่เรากินเราใช้เนี่ยเราจะมีส่วนเกินที่สามารถจะไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่มันไม่ได้พอดีเยอะมากเนี่ยเราจะอยู่กันแข็งแรงมากเลย เป็นสังคมที่อะไรก็กระเทาะไม่ได้เลยแข็งแรงมากเลยปัญจัจะสะรณาสนังที่นอนที่นั่งงานสงัดเน้นสงัดที่มันนอนสบายแล้วก็หลับไม่ได้เน้นหรูทช่ไหมเออไม่ได้เน้นยี่ห้อไม่ได้เน้นหรูไม่ได้เน้นแบรนด์เน้นสงัดที่นอนที่อยู่อะ ปัญญาโฆษณาฉะนั้ น, น, นเอาละครบเบ็ดเสร็จสุดท้ายทรงประกาศบรรทัดสุดท้ายในพระโอาวาสนี้ว่าเราจะยังให้เขาแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องขาดไม่ได้เลยคืออาธิจิตเดจายโยโก ค, คือการตามประกอบโดยเอื้อเฟื้อมีความเพียรโดยเอื้อเฟื้อในอธิจิตมีชีวิตที่มีร่างกายเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนจิตอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง เนี้ยรูปแบบของพระอวาทปฏิบบกทั้งหมดเี่จะมาใช้เวลาสิบแปดนาทีพูดมาเนี่ยให้สิบแปดหรือยี่สิอมาประมาณนั้นะ่ะรูปแบบสำคัญไหมที่ไม่ได้พูดสามข้อเองคืออะไรสัพปะปภาษาอาการณางังกุตระสูส้บัะฐานมดาสจิตตะ ป, ประโยชน์ัปนังสามข้อนี้ที่ไม่พูดเพราะอะไรเพราะเป็นคำพูดสวยรู้ที่เราจำกันมาตั้งเด็กๆ หดเว้นจากความทำความชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมมาถึงกันว่าในในพูดแล้วก็พูดซะเลยว่ามันสำคัญตรงไหนในช่วงที่เป็นลาาหลัากกา ร, าออรหดเว้นจากการทำความชั่วทั้งปวงนี่คืออะไรเรฮะคืออะไรมันเป็นคำพูดสวยหรูที่เราฟังดูแล้วเมันดูดีดูดีแล้วก็จบกันไปหดเว้นจากการทำความชั่วทั้งปวงคืออะไรคือการมีใจตื่นขึ้นมา และหดเว้นจากเจตนาที่จะกระทำความชั่วทุกชนิดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพอรรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาทั้งวันเนี่ยชาตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสา ม, มารถที่จะเห็นเจตนาที่จะทำความชั่วเคลืนขึ้นและสามารถหดเว้นเจตนาอันนั้นได้เจตนาที่จะทําทำความชั่วเคลื่อนไหวขึ้นที่จิตหดเว้นไว เจตนาที่จะทำความชั่วเคลื่อนไหวขึ้นที่จิตหดเว้นไว้เจตนาที่จะทำความชั่วเคลื่อนไหวขึ้นที่จิตหดเว้นไว้นี่เรียกว่าฮดเว้นจากความชั่วทั้งปวงไม่ใช่รอจนเข้าใจปะนั่นเรียกว่าหดเว้นจากการทำความชั่วทั้งปวงเอาทำความดีให้ถึงพร้อมคืออะไร ทั้งนอกและในสภาพแวดล้อมภายนอกที่มันจะกระตุ้นให้เกิดการการทําบันดีอันใดให้มีฉันทะเจตจิตมันตื่นขึ้นมาเมื่อมีฉันมีเจตนาที่จะกระทําความดีให้มีฉันทะและก็สนตัดสินใจกระทํามีตัดสินใจกระทําตัดสินใจกระทําตัดสินใจกระทําทุกๆุกครั้งที่มีเจตนาในการทําดีทุกๆครั้งที่สภาพแวดล้อมมันบ่งชี้ให้เราทําดี เราต้องตัดสินใจทำทุกครั้งในเจตนานั้นนั้นนั่นเรียกว่าทำความดีถึงพร้อมไอ้อย่างนี้ดิมันจะถึงเป็นการตัดการตัวเองออกมาจากความชั่วแบบถึงใจการทำความดีแบบถึงใจไม่ใช่ว่าไอ้แบบไม่ถึงใจช่น แล้วก็ไม่มีนัยยะอื่นนะการหดเว้นจากความชั่วไม่มีนัยยะอื่นมีนัยยะเดียวคือหดเว้นจากความชั่วจริงๆไม่ใช่ไม่ทำเพราะกลัวเสียคะแนนเสียงไม่ทำเพราะเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ทำเดี๋ยวทวงหนี้ลำบากมัง่งก็คือถ้ามีนัยยะอื่นเนี่ยไม่ถึงใจ คือมันไปถึงที่อื่นแล้วก่อนจะให้ถึงใจต้องงดจากความชั่วจริงๆจะทําความดีให้ถึงใจต้องตรงไปที่ความดีจริงๆเพราะธรรมาชาติใจพระพุทธเจ้าบอกอภิทริตากรยาณ์เนให้รีบทําสิ่งดีๆรีบทําปาปาจิตังนิวอารเยในขณะเดียวกันให้ขุกหัดห้ามใจตัวเองออกจากบาปทันทังหิกระโยกรโตูบผลอย่างเรื่องพวกนี้นะต้องทําทันทีนะ ทันทางหิกระโตปุญญังถ้าขืนมัวผัดบันประกันพรุ่งหรือชักช้าปาปสมิิงรัมมตีมโนใจของเราเนี่ยมันจะไปยินดีในบาปแทนเชื่อไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลยพระพุทธเจ้าตรัสและในความเป็นจริงก็เป็นจริงนั้นใจนี้ถ้าไม่ให้เขาหนักแน่นโดยเส้นทางของความดีแล้วเนี่ยเขาจะยินดีในบาปแทนเพราะอะไร ใจจะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ใจมันอยู่ที่คุณสมบัติของใจใจของเรามีอาสวะกับบรารมีอาสวะนี่มันเคลื่อนไหวตัวเองหมักหมมอยู่ที่ใจของเรานีนานมากอยู่มานานนะถ้าหากว่าเราไม่มุ่งมั่นในเรื่องของความดีอาสวะมันก็จะออกมาแม้ความดีที่เราตัดสินใจทำแล้วบางครั้งเราต้องล่มกลางคันก็เพราะอาสวะ กาเราทําความดีแล้วนะเราต้องร่มกลางคันก็เพราะ อ, อาสาวะวันนี้มันนั่งสมาธิปลุกฟังทำปฏิบัติทรรมอาจารย์ดูชีเวลาเรานั่งอย่เนี้ยอะไรที่มันมาเบียดเบียนเราอาสาวะเปล่า <c oughs> ความม่วงงองนอนเอย้ยความขี้เกียจเอย้ย <c oughs> ความฟุ้งซ่านเอย้ยมาจากอาสาวะทางนั้นนี่คน ที่หน้าที่ของคนต่างๆหน้าที่ลูกหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่สามีหน้าที่ภรรยาหน้าที่ปู่หน้าที่ย่าหน้าที่ตาหน้าที่ยายหน้าที่แต่ละที่ที่เป็นหัวหน้าลูกน้องหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆที่มันเจงวินาทไปหมดเลยแม่ไม่เป็นแม่พ่อไม่เป็นพ่อลูกไม่เป็นลูกเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรอาสวะทั้งนั้นมันรอจ้องที่จะขย่ําเราอยู่ตลอดเวลาเพราะเราละจากการทําดีเมื่อใด เราละจากการฝอยดีเมื่อใดเราละจากการฝอยดีเมื่อใดเมื่อนั้นการฝอยร้ายจะเข้าแทนทันทีเลยเพราะมันจ้องอยู่ตลอดเวลาอาสวะทั้งหลายราะนั้นสาระของมาาบูชานี่แบบแบบอันตร า, านะเพราะอย่างนี้คนเขาตึงทำมาการบูชากัน ที่วัดวันนั้นเวียนสองรอบเทศสองรอบสวดบนสองรอบวัีไอราชพัฒ์ก็มาร่วมด้วยก็มีคนที่อาการทำนี่ก็มีไปเงนินนะหน้าเด่แต่ว่าวันนี้ไม่มามีจำได้อยู่ข้อสุดท้ายที่ทรงสอนว่า อธิจิตเตจากอายโยโคคือการตามประกอบความเพียรโดยเอื้อเฟื้อในอธิจิตเพราะว่าจิตเป็นในทุกๆเรื่องถ้าเราหยุดการประกอบความเพียรในอธิจิตเมื่อใดก็ดังที่บอก อาสวัคก็ยึดครองจิตของเราและการที่จะนำตัวเข้าไปสู่เป้าหมายคือพระนิพพานด้วยกันนั้นแม้นว่าพบชาติการเวียนว่ายตายเกิดในทั้งสารวัตรหรือความเป็นอยู่ที่มันมีสุบ้างทุกบ้างที่เราจะต้องประเจนกันอยู่เนี่ยกล้าพูดว่าการฝึกฝนจิตจะประสบความสำเร็จ ในทุกๆเรื่องนี่พูดแบบนี้ใครจะค้านก็ค่อยมาเถียงกันนะแต่ถามว่าการฝึกฝนจิตทำไมถึงกล้าพูดว่ามันต้องมันจะสำเร็จให้ทุกๆเรื่องเพราะการฝึกฝนจิตตามพุทธวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนมันจะให้เราสำเร็จประโยชน์เป็นชั้นๆอืม ไม่ว่าคุณจะอยู่ในหน้าที่อาชีพอายุหรือเพศอะไรการฝึกจิตของคุณจะไม่ชื่อว่าล้มเหลวจะไม่ชื่อว่าผิดจะไม่ชื่อว่าไม่ได้ประโยชน์จะมีแต่ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เท่านั้นนี่ฝึกจิตแบบพระพุทธเจ้า เพราะอะไรเพราะการฝึกจิตนั่นมันฝึกเพื่อสติสัมปชัญญะในขณะเดียวกันถ้าไม่ฝึกไม่มีวันที่เราจะประสบความสำเร็จได้การฝึกจิตการขัดเกลาอาสวะออกจากจิตมันเป็นการ เดินเข้าไปสู่เป้าหมายอย่างถูกวิธีเรียกว่าเดินเข้าหาพระนิพพานอย่างถูกวิธีตั้งแต่เริ่มต้นเลยแค่รู้สึกจิตรู้สึกกับลมหายใจมันหยุดทุกอย่างหมดเห็นไมความบริสุทธิ์ก็ปรากฏแล้วมันจะเริ่มขัดเราเมื่อกี้ได้ยกพระบาลีว่า สติ s, สัมชัญญเยพิกขเวสติสัมบัญญเยพิกเวอสติคำว่าอสตินี่มันแปลว่าไม่มีนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่สตินะมันเป็นภาษาบาลีอสตินี่แปลว่าไม่มีสติสัมบัญญเยพิกเวงอสติดูกรปิกษูทั้งหลายเมื่อสติสัมบัญญะไม่มีฟังให้ดีนะเมื่อไม่มีสติสัมบัญญะจะเกิดอะไรขึ้น สติสัมปชัญญะวิปนัสสะหตุปานิโสอินรยสังวรหตุปานิสังิริโอตปเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มีิริโอตัปะ ได้ชื่อว่ามีปัจจัยพินาศแล้วเมื่อไม่มีสติท ร, รญญานพิจญตฮิริโอตปะพินาศเมื่อฮิริโอตปะพินาศคนคนนั้นจะหาดีได้ยากทุกอย่างเป็นคนลวงของอวิชชาเป็นคนลวงของบาปทั้งนั้น เป็นคนลวงของอาวุธชาเป็นกนลวงของมารเป็นกนลวงของบาปทังนั้นเมื่อสติสัมปชัญญะพินาศฮิริโอตะปะจะพังทันทีเลยเมื่อฮิริโอตะปะพังขึ้นไปทุกอย่างก็จบอะไรจบฮะเมื่อฮิริโอตะปะพินาศอะไรอะไรพังอินทรียสังวรพัง อินทรียสังวคือการควบคุมพฤติกรรมการรู้เรื่องราวการดูแลตัวเองเนี่ยพังหมดเมือม่อเมือ่อเมื่ออินทรียสังวรพังอะไรพังศีลก็จะพังพอศีลพังสมาสมาธิจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อสมาสมาธิไม่มีโอกาสเกิดจะเป็นยังไงไม่มีคําว่าญาณทัศนะเกิดขึ้นได้ ยาธนชาตจะวิบัตหิมมมมมมตหมดเลยกับคนที่ไม่มีสัมมาสมาธิและสัมมาสมาธิจะวิบัตหิ e e <laughs> ตหมดเลยกับคนที่ไม่มีศีลและศีลจะวิบัติหมดเลยกับคนที่อินทรีย์แตกและคนที่อินทรียสองวันจะวิบัติหมดเลยกับคนที่ไม่มีฮิริโอตปะฮิริโอตปาจะวิบัติหมดเลยของคนที่ไม่มีสติสามัญญะสําคัญไหม แค่เราพัฒนาสติหรือจเจริญสติสามประชัญญะขึ้นมาตัวเดียวเท่านั้นมันจะได้ครบเลยเข้าใจปะมันจะได้ครบเลยมันจะได้ครบเลยเมื่อจเจริญสติสามประชันญญ้ะฮิริโอตปะมันก็เกิดขึ้นเพราะมันมาด้วยกันอมันเป็นอวิชาเป็นมารดาของ อกุศลวิชาอันเป็นที่ตั้งของสติสัมัญญะนั้นเป็นมารดาของกุศลพระพุทธเจ้าตรัสว่าอวิชาอวิชาภิกขเวผุพังคมาอกุศลานังธรรมานังอนนาเดวะอหิอหิริกังอนตปังว่า อวิชาเนี่ยเป็นเบื้องต้นเป็นหัวหน้าของอากุศลทั้งหมดอันนันเดวะคือเกิดร่วมกับความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวต่อบาปเนี่ยในทางที่กลับกันวิชาก็เป็นหัวหน้าของกุศลทั้งปวงคือความดีทั้งหมดเนี่ยมีวิชาเป็นหัวหน้า และเกิดร่วมกับฮิริโอตาปะเพราะฉะนั้นการเจริญสติจึงเป็นวิธีที่ลัดตรงสู่เป้าหมายตั้งแต่กัลายาณชนจนถึงอริยชนเลยแต่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ มันก็ไม่ต่ําไปกว่าภูมนุษย์และถ้าเรายังเป็นมนุษย์อยู่มันก็จะเจอพุเฉพาะทุกข์หลักๆการเจริญสติขัดเกลีจิตขัดเกลียอาสวะออกจากจิตความบริสุทธิ์ของจิตที่มีอาสวะถูกขัดเกลีเพราะการรังแข็งแรงของสติมันจะขัดเกลียอาสวะออกเมื่อขัดเกลียอาสวะออกไปแบบเบาบางแม้นว่าเราอยู่เป็นมนุษย์ ทำอาชีพแต่งมีครอบครัวแต่งงแต่งการแต่เราจะต้องลดบัณทนทุกออกไปเยอะมากทุกอะไรที่เราจะดิ้รอนเขาออกไปได้ทุกที่มันเป็นวิปากกทุกอันเกิดจากเกิดอะไรเกิดจากกรรมวิบากอันเกิดจากกรรมวิบาก ทุกจนทั้งหลายที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยจะถูกเบาไปเยอะมากเราจะเจอเฉพาะทุกหลักหลักหลักหลหลแค่ทุกหลักนี่ก็จะตายแล้วไม่เคยเห็นเลยและที่สําคัญคือคื อ, อใจเรามันก็จะได้มุ่งเข้าไปสู่ทุกหลักไงทุกหลักที่เป็นสัจจะทุกจอนไม่ใช่เวทามนางสาวกอ อะไรที่เป็นทุกข์หนักที่สุดเลยอกหักค่ะเอ๊ะทาไมกูไม่มีวะเพราะทุกจอนนั้นมันต่างคนต่างเจอถูกเปล่ามันเกิดจากกรรมวิบากเมื่อเราขัดเราจเจริญจิตฝึกจเจริญสติฝึกจิตให้มีสติที่แข็งแรงเพื่อไปขัดเราจิตของเราคือขัดเราอาสวะ อ, อกไปจากจิตกรรมที่เป็นอกุศลที่ให้ผลเป็นทุกข์ มันก็จะลดน้อยไปด้วยตามกำลังของอาสวะที่มันขัดเราอยู่เพราะนั้นทุกจรเนี่ยมันจึงน้อยเข้าใจไหมพพอทุกจรน้อยจิตก็จะหาแต่ทุกที่เป็นทุกหลักหลักทุกหลักหลักคืออะไรเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็เห็นแก่เจ็บเจ็บยังจรเน้อแก่เจ็บตาย ทุกที่เกิดจากความพลาดพลาดทุกที่เกิดจากความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาก็ยังเบาลงด้วยเพราะฉะนั้นในการเจริญสติที่กล่าวว่าจะไม่มีวันที่จะไม่ประสบความสําเร็จหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อคุณมาเกิดเป็นมนุษย์คุณจะได้มนุษย์สมบัติเออเมื่อจะไปเกิดในสุกติคุณก็จะได้มี สวรรค์สมบัติแต่คุณเลยจากนั้นไปคุณก็จะเป็นนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นความปรารถนาจะให้ความสําเร็จได้ทุกชั้นทุกชั้นทุกชั้นของการเจริญสติมนุษย์สมบัติกับสวรรค์สมบัติเราจะได้ด้วยอะไรด้วยฮิริโอตปนะเพราะฮิริโอตปะทําให้กําลังของศีลของเราแข็งแรง เราจะขับเคลื่อนโดยที่ไม่มีโอกาสละเบิดต่อสีนั้นเรื่องอำนาจของหีดอุปา ท, ที่เกิดขึ้นจากสติสัมป ญ, ญญาที่เขาเจริญมาอยู่ในระดับนั้นมันก็ไปเรื่อยเรื่อยือยตามกำลังอย่างนี้แต่เลยไปกว่านั้นก็เป็นสวรรค์สมบัติเลยไปกว่านั้นก็เป็นนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จับไม่ได้ในฐานะที่เป็นผู้เจริญภาวนาอ่ นี่พูดให้ควังเพื่อมีกำลังใจว่าไม่ว่าเราจะเป็นอะไรเราจะได้เป็นอย่างนั้นน่ะเป็นแบบดีนะท่นเช้าวันนี้เราก็เข้าสู่การภาวนากันเลยให้พวกเรานั่งผลัดเปลี่ยนท่านั่งให้สบายนะ